วันนี้เรานัดกันล่วงหน้าไปแล้วใช่นะไม่เกี่ยวกับการนัดหมายหลังๆนี้นะยังยังดีว่าเรามาจัดตรงนี้เลยมาเจอกันได้มีเมื่อครั้งพุทธกาลนะสมัยพุทธกาล รู้จักพ่อตาของพระพุทธเจ้าหไหมรู้จักไหมรู้จักชื่อสุ ป, ปะพุทธะสากยะเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาพูดให้เป็นภาษาราชาพท์เลยนะแต่ถ้าไม่เคยตรงก็ต้องให้อภัยบ้างนะเพราะอาตมาเป็นพระบ้านนอก บันนอกมันนอก<笑><笑>เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วก็ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุปาพุทธก็ไม่ได้ปลืม้มทำไมถึงไม่ได้ปลืม้มเพราะว่าโกรธโกรธที่ทำให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นไม้ โกรธว่า ล, ลูกสาวเราเนี่ยไปแต่งงานกับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะครองราชบัลลังก์ก็จะไปเป็นพระราชินีแต่นี่หนีบวชหือผิดหวังผิดหวังมากก็เลยโกรธทำให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยแบบถูกคือสังคมสมัยก่อนเนี่ยถ้าสามีหนีบวชเนี่ยนะรู้สึกว่าผู้หญิงจะ จะถูกตาหนิแล้วพอพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็เป็นพี่ชายของพระนางพิมพาก็คือเป็นลูกลูกของพระเจ้าสุ ป, ปาพุท ธ, ธะคนโตไปบวชตามไปเป็นลูกศิษย์ ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าชายศิทธัะในนายสายตาของพระเจ้าสุปปุทธะนะไปเป็นลูกศิษย์ด้วยแต่ปรากฏว่าพอไปบวชด้วยแล้วเนี่ยภาพพจน์ของพระเทวทัตกลับไม่ดีหาว่าเป็นอะไรปฏิปักษ์กับกับพระพุทธเจ้าแต่ในในคำในความคิดของเจ้าพระเจ้าสุปปุทธะเนี่ย ไม่ได้คิดว่าเป็นปฏิปักกับพระพุทธเจ้าเป็นปฏิปักกับพระสิทธัตถะเข้าใจไหมไม่ได้มีความเคารพเลื่อมใสว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าไปโปรดพระปรายุรยาต้องต้องค่อยๆ อ, ออกเสียงไปโปรดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะไปบินธบาต พระพุธเจ้าก็จะไปบินทบาทพร้อมกับพระสาวกซึ่งก็มีพระอาหารหัน์เยอะมากเลยในในครั้งนั้นปรากฏว่าพระเจ้าสุ ป, ปพุท ธ, ธก็รู้ว่าเส้นทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปบินทบาตเนี่ยจะไปทางไหนก็ไปตั้งวงเล่ากลางทางนั่งวงเล่ากลางทางดีไหม <laughs> เล่านี่ก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมไปกลางทาง กางทางก็ไม่นอาเป็นที่กินเหล้าเท่าไหร่นะแล้แถมงเป็นการขวางทางไม่ให้ไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จบินทบาทได้พระพุทธเจ้าก็ไปตามเวลานะจะถึงเวลาบินทบาทพระองค์ก็เสด็จไปไปแล้วพระเจ้าสุ ป, ปพุทธก็ไม่หลบไม่หลบตั้งวงอย่างนั้นแหละในใจนึกว่าจะได้รู้ว่าที่เนี้ยใครใหญ่ พระเจ้าสุ ป, ปพุทธะเนี่ยนะก็จะดูว่าใครใหญ่แล้วจะได้พระจะได้รู้ว่าที่นี่ใครใครใหญ่ mm hmm. พระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ไม่เปิดทางให้พระองค์ก็เสด็จกลับ mm hmm. เมื่อเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแยมพระโอษฐ์แยมพระโอษฐ์เพื่อให้พระอานนท์เนี่ยทูลถาม แสดงว่าต้องผิดสังเกตมีอะไรผิดสังเกตนะถ้ามาเห็นหน้าอาตมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยผิดสังเกตเท่าไหร่ยิ้มอยู่ด้วยแต่ถ้าพระอนนท์เห็นพระพุทธเจ้ายิ้มคงจะยิ้มที่ไม่เหมือนยิ้มอื่นๆนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องหน้าบึ้งนะแต่ครั้งนั้นเนี่ยมีการแย้งพระโอษฐ์ที่ผิดสังเกต พระอนลกัก็ถามมีเหตุอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสุปาพุทธะสักยะปิดทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายคติของเขาเนี่ยจะตกนรกจะต้องสิ้นพระชนในเจ็ดวันนี้ ที่ตีนบันไดของพระราชวังขอ ง, ของตัวเองพยากรณ์ละเอียดมากเลยนะพระเจ้าสุ ป, ปพุท ธ, ธเนี่ยส่งคนมาสอดแนมมาแอบฟังมาดักฟังเดี๋ยวนี้มีการดักฟังโทรศัพท์ใช่เป็นเรื่องกันเลยนะเป็นอะไรเรื่องระหว่างประเทศประท้วงกันจะจะทะเลาะกันตายกนะันเนี่ยเพราะว่าแอบฟังโทรศัพท์กันเนี่ย ใช้มาตั้งแต่สมัยนู้นละพระเจ้ า, าสุภ菩萨เนี่ยพอขวางทางเสร็จน่ะอยากรู้ปฏิกริยาว่าพระพุทธเจ้าจะจะเป็นยังไงมีปฏิกริยาอะไรไหมหงุดหงิดไหมโกรธไหมหรือว่ามีอะไรกินไหมประมาณอย่างเงี้ยนะก็ส่งคนไปสอดแหนมคนก็กลับไปกราบทูลว่าโอ้พระองค์เรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าพยากรพระองค์ไว้ว่าจะถูกธรณีสู่ภายในเจ็วัน สรุปข่าวปรากฏว่าพระเจ้าสุภปุทธก็เริ่มหวั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่ได้ยินมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์อะไรมักไม่เป็นอื่นตรัสคำไหนมักจะเกิดเรื่องคำนั้นตามที่พระองค์ตรัสแต่อีกใจหนึ่งก็นึกขึ้นว่านี่แหละจะเป็นโอกาสที่จะชนะพระพุทธเจ้าที่จะประกาศให้โลกรู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่จาเป็นต้องตรงตามที่พระองค์ตรัสเมื่อรู้ข่าวสอบถามรายละเอียดว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะต้องถูกธรณีสูบที่ตีนบันไดไม่ยากเลยในความรู้สึกของพระเจ้าสุภพุทธะไม่เห็นยากเลยฉันก็ไม่ลงไปที่พื้นดินซะไม่เห็นยากเลยเจ็ดวันนี้ฉันเป็นพระราชาเดี๋ยวฉันก็จะไป อยู่บนปราสาทเจดชั้นเตรียมสเสบียงไปหมดเลยนะเตรียมสเสบียงเลี้ยงตัวนี่นแหละเจ็ดวันไปอยู่ให้เกินเจวันก็ยังได้แล้วก็เผื่อฟุกนะเผื่อฟุกเผื่อตัวเองเผลอนะก็คิดว่ามันอาจจะมีการเผลอลงไปแตะดินบ้างเนี่ยนะสั่งให้ทหารตัวใหญ่ๆระดับนักมวยปล้ำเฝ้าประตูทุกๆชั้น ประตูละสองคนเฝ้าประตูและสั่งเอาไว้ว่าถ้าเราเผลอขาดสติเดินลงมานะให้เตือนและจับเราขึ้นไปข้างบน <c oughs> แล้วเฝ้าทุกชั้นเลยเฝ้าทุกชั้นทุกประตูแล้วก็ไปขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ข้างบนบนชั้นเจ็ดในใจก็อ <c oughs> เดี๋ยวพ้นจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยนะเราจะประกาศว่าคําของพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> ไม่จริง พระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรพอผ่านไปเจ็ดวันในหกวันแรกก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็อยู่สบายพอถึงวันที่เจ็ดวันนัดหมายปรากฏว่าม้ามาทรงของพระองค์นะม้าคู่ใจก็เรียกว่าม้ามงคลม้ามงคลก็คือ ม้าตัวนี้เนี่ยจะต้องพระเจ้าสุภ ป, ปุษฏะเท่านั้นที่จะ อ, อใช้มันได้วันนั้นเกิดอะไรก็ไม่รู้ม้าก็ดิ้นอยู่ในคอกเนี่ยนะม้าก็ดิ้นดินไปก็ถีบถีบผนังคอกส่งเสียงม า, องอางร้องยังไงร้องร้องฮีฮีเสียงก็ดังลั่นไปเลย แล้วก็อยู่ใต้ถุนใต้ถุนวังของพระองค์นั่นแหละเสียงก็ดังลั่นขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดพระเจ้าสุภาพพืท้าก็ถามทหารว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรมาที่ไหนมาร้องต้อม้าของพระองค์ม้ามงคลของพระองค์ร้องก็ไปจัดการให้มันเงียบหน่อยสินะอย่าให้มันส่งเสียงดังลั่นอย่างนี้ก็ส่งคนไปจัดการก็กลับมารายงานว่าพระองค์ ไม่มีใครจัดการได้เลยไม่มีใครทําให้ม้านี่เงียบได้เลยไม่มีใครทําม้าที่พยศอย่างนี้ให้สงบลงได้เลยพระเจ้าสุปะพระท้าบอก mm. แก่นี่ยไม่ได้เรื่องม้านี่มันต้องต้องชันต้องฉันเองต้องชั้นเอง mm. ก็คือคิดจะลงไปที่คอกปราบปราบพยศม้าตัวนี้พอคิดจะลงไปเนะนี่ยนะในในตํารา บ, บอกว่าพอเดินลงไปที่ประตูประตูก็เปิด S <S <S <S ประตูชั้นที่เจ็ดชั้นหกชั้นห้าเปิดไปเรื่อยๆนะและไอ้นักมวยปล้ำสองคนที่ให้เป่าประตูเนี่ยนะที่สั่งเลยว่าถ้าเราลงมาเนี่ยให้รับกั้นเอาไว้นะให้ล็อกตัวแล้วก็จับส่งขึ้นข้างบนนะถ้าเราเผลอเดินลงมาจะคือจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนก็คงตั้งกระถนอะไรอยู่ข้างบนด้วยนะปรากฏว่าพอคิดว่าจะลงไปปราบม้าพยศประตูก็เปิดนักมวยปล้ำสองคนก็คงจะเปิดให้ลนละ้วแหละเปิดไป แล้วนักเหมยปั้มที่ว่าเนี่ยผลักผลักต่อให้ไปแค่ไม่ผลักเนี่ยก็จะไปอยู่แล้วนะกลัวไปช้าผลักต่ออีกจนถึงชั้นหนึ่งพอถึงชั้นหนึ่งลงบันไดพอเท้าแตะพื้นปุ๊บแผ่นดินก็แยกวูบเป็นอยู่ในลิสต์บุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ถูกธรณีสูอยากอยากมีความสำคัญอย่างนี้บ้างไหม <laughs> เป็นองค์หนึ่งที่ถูกธรณีสูบพระเทวทัตก็ถูกสูบนางจินจะมานวิการก็ถูกสูบธรณีสูบในยุคนั้นไน้ยเยอะเพราะว่าคนมีบุญเยอะงงัหมคนมีบุญเยอะแล้วไปทำร้ายคนมีบุญ <laughs> คนมีบารมีมากบาปก็เลยเยอะแผ่นดินนี้รับบาปไม่ไหว ต้องแหวกออกนั้นแหวกเนี่ยดูดีๆนะแหวกแบบไหนนะแหวกอวิชชาออกไปหรือจะแหวกแผ่นดินลงไปอยู่ลึกๆอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมวันนี้มีซีดีมาแจกนะซีดีพุทธธรรมเรื่องใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จเนี่ยทีมงานก็มา เป็นบทที่ห้าของหนังสือพุทธธรรมเกี่ยวกับเรื่องกรรมใครใครยังงงงเกี่ยวกับกเกี่ยวกับเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมจะทำกรรมแบบไหนกรรมแบ่งเป็นกี่อย่างรู้ไหมว่าทำกรรมบางอย่างเนี่ยทำแล้วไปนรกทำกรรมบางอย่างไปสวรรค์ทำกรรมบางอย่าง ไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์แล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนทํากรรมอันนี้กรรมแบ่งเป็นกรรมดำําทําแล้วไปนรกเป็นอกุศลกรรมอย่างหนึง่งเป็นกรรมขาวทําแล้วไปสวรรค์กรรมอีกอย่างหนึง่งกรรมทั้งดําทั้งขาวพวกเราทํานี่แหละส่วนใหญ่นะคือทําบุญบ้างทําบาปบ้างแล้วก็ ตอนตายเนี่ยก็เลือกเอาคอยจิ้มเอาว่าจะไปไหนเรียกว่าดูดูจิตสุดท้ายเพราะว่าทําแล้วมันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ ง, งนี่นะหลายคนเป็นอย่างนี้แต่บางคนทํากรรมขาวจนชํานาญแล้วเนี่ยค่อนข้างชัวร์ว่าจะขึ้นสวรรค์แต่พุทธิยาก็บอกว่าจะไปสวรรค์จะไปนรกนรกแล้วคงไม่ใครอยากไปจะไม่ไม่ไม่ใครอยากไปนะแต่ไปสวรรค์นเนี่ยสวรรค์ก็ไม่เที่ยง สวรรค์ก็ยังมีเกิดเกิดแล้วต้องมีดับมีอายุมีเกิดมีดับมีตายตายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าชาวสวรรค์ส่วนใหญ่เนี่ยพอตอนใกล้าตายมักจะลนลานกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายแล้วไปอบายแล้วส่วนใหญ่ก็ไปอบายจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ากรรมขาวเนี่ยให้วิบากหมดแล้วเหลือแต่กรรมดำ มันจึงเป็นเรื่องที่น่าน่าหวาดกลัวสำหรับเทวดามากพระรเจ้าก็เลยสอนกรรมไม่ดำไม่ขาวคือทำไปเพื่อพ้นกรรมนี่นะน่าสนใจใครอยากฟังต่อไปรับซีดีไปฟัง <laughs> แล้วก็หนีหนีกรรมไม่ได้หนีผลของกรรมไม่ได้จะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่ได้ หนีไปต่างประเทศหนีไม่ได้เพราะเราใช้อะไรรับกรรมขันห้านี่รับกรรมไปไหนก็เอาขันห้านี้ไปครั้งหนึ่งมีพระพระท่านเดินทางจะไปกราบพระพุทธเจ้าไปก็ไปแวะฉันในระหว่างทางในระหว่างทางนั้นมีคนนิมนต์ให้ฉันก็ก็ทำอาหารจุดเตา จุดเตาเนี่ยปรากฏว่าประกายไฟมันลามไปไม่รู้อินเดียก็ทำผักพุ่งไฟแดงวเปล่านะแต่เมืองไทยเนี่ยผักพุ่งไฟแดงมันวาบนะแต่อินเดียไม่น่าจะทำนะแต่ปรากฏว่าพอจุดเตาแล้วมันมีประกายไฟแล้วลามไปถึงหลังคาหลังคาเป็นหญ้าแห้งเป็นหญ้าแห้งพอไฟไหม้หลังคาปุ๊บเคยเห็นไฟไหม้หญ้าแห้งไหมมันจะมี หญ้าที่ติดไฟทิ้งแล้วมันลอยขึ้นอ่ะเคยเห็นไหมหญ้าบางอันเนี่ยนะมันขดเป็นวงแล้วก็ยังไหมไฟอยู่ลอยขึ้นไปบางอันก็เป็นเปลวพลิ้วพ ล, ว ล, ว ล, วลวขึ้นไปมีหญ้าอยู่ชุดหนึ่งเนี้ยขดเป็นวงแล้วก็ไหม้แล้วก็ลอยขึ้นไปด้วยแล้วมีอีกาตัวหนึ่งจะเป็นอีกาหรือไอกาต้องเป็นไอ้กา <c oughs> กานกกาตัวผู้บินมาพอดี บินมาแล้วหัวก็สอดเข้าไปในไอ้วงญ่าที่กำลังไหม้ไฟเนะี่ยไม้พอหัวสอดเข้าไปก็ไหม้นกตัวนั้นด้วยนกนกกาตัวนั้นด้วยตกลงมาตายคนก็ช่วยกันดับไฟที่บ้านนะแล้วก็เห็นอีกาตัวนี้โดนไฟคลอกตายกลางอากาศกลางอากาศเลยนะไฟคลอกกลางอากาศเลยพระท่านก็โอ้โหไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้ไม่เคยเห็น ประหลาดมากเดี๋ยวต้องไปต้องไปเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังฉันเสร็จอิ่มแล้วก็ไปต่อพระอีกกลุ่มหนึ่งพระอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาทางเรือเดินทางมาทางเรือเดินมาเดินเดินทางมาทางเรือเนี่ยปรากฏว่าเรือแล่นมาถึงกลางทางลมสงบลมสงบได้ดีไหม สำหรับชาวเรือเนี่ยไม่ดีลมแรงไปเป็นพายุก็ไม่ดีต้องลมปกติ mm hmm. ถ้างเงียบเลยลมนิ่งสนิทเนียนะเรือไม่แล่นเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องต้องอาศัยใบให้ลมพัด mm hmm. เรือจากใบแล้วก็ให้แล่นไปปรากฏว่าลมนิ่งสงบเรือก็สงบด้วย แต่คนไม่สงบคนก็พลุกพล่านอยู่ข้างในเรือเกิดอะไรขึ้นนิ่งอยู่หลายวันจนเสเบียงหมดจนคนทั้งหลายบอกว่าต้องมีคนอาเพศคนอะไรกาลกินีคนที่มีบาปเยอะขึ้นมาบนเรือนี่แน่เลยทีนี้จะชี้ใครอ่ะเหมือนนั่งอยู่ตรงนี้จะชี้ใครกาลากินีลนะ่ะก็ชี้ยากใช่ไหมก็เล่นเกมจับไม่สั้นไม่ยาว จับไม้สั้นไม่ยาวเอาไม้สั้นไว้อันหนึ่งจับไปจับไปทั่วเรือเลยคนที่จับไม้สั้นคือเมียเมียใต้กลงเมียคนนี้ก็สวยยังสาวยังสวยยังละอ่อนน่ารักใต้กลงก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันฟลุ๊กว่ะมันไม่แน่หรอกบางทีมันไม่ยุติธรรมนะ ที่คนจับปุ๊บเนี่ยมันจะได้คนนี้ลองจับใหม่สิบางทีไม่ใช่กันนะนี่ลำเอียงไหมลำเอียงเหมือนกันนะเพราะว่ากติกาเขาบอกว่าต้องตัดสินแล้วต้องตัดสินเลยใช่ไหมนี่ลำเอียงก็เอาใหม่เอาใหม่เอาห ม, าาห ม, าาหมา่จับใหม่จับใหม่ก็โดนอีกเฮ้ย <c oughs> อาจจะฟุกก็ได้นะอาจจะฟุกซ้ำสองจับอีกทีครั้งที่สามก็โดนอีกเสียงไม่ออกล้วก็เลยด้วยความอาไลอาบอกอือก ฉันก็ไม่อยากให้ภรรยาสุดที่รักของฉันเนี่ยจะต้องถูกรอยแพรคือในกติกาเนี่ยให้รอยแพรให้รอยแพรไปเกิดความเสียดายโอ้เสื้อผ้าของเมียเราเนี่ยก็สวยเปลี่ยนชุดใหม่ชุดมอซอให้จะเก็บชุดสวยๆเนเป็นที่ระลึก <laughs> ที่แรกรักนะ <laughs> กแต่พอรู้ว่าจะต้องตายนะเสดายเสดายชุ ด, เ, ด, ชดเอาชุดมาเก็บเอาชุดที่เก่าๆให้แล้วก็ตามแผนเดิมเนี่ยจะให้ลอยแผลใต้ของที่เป็นหัวหน้าก็บอกว่าฉันทนเห็นเมียฉันเนี่ยถูกลอยแผลไม่ได้เห็นแบบว่าเมียฉันที่ฉันรักเนี่ยนะถูกหย่อนลงแผลแล้วก็ค่อยๆลอยไปนี่นะเมจะต้องร้องไห้จะต้องคร่าครวญตี อ, อกชกตัว ทนไม่ได้จนดูไม่ได้เอาเอาหินถ่วงดีกว่าโยมว่าอย่างไหนดีกว่ากันเลือกอย่างไหนไม่เลือกสักอย่างใช่ไหมไอ้ใต้โขงเลยนะไม่อยากเห็นสภาพเมียร้องไห้แบบค่อยๆลอยไปยาวๆเอาหินถ่วงดีกว่าก็จัดการผูกคอผูกคอหลวมๆนะเอาแค่มันไม่หลุดเนี่ยนะแล้วก็เอาหินถ่วง หย่อนตุ้มหายไปเลยค่ อ, อ, อยังชั่วไม่ต้องเห็นนานพอเอาหินทวงปุ๊บแล่นต่อได้ลมมาเลยแสดงว่าเป็นตัวการจริงพระที่โดยสารเรือมาเนี่ยว่าโอ้โหไม่เคยเห็นชัดๆอย่างนี้เลยมางคนไม่เชื่อนะไม่เชื่อเรื่องเรื่องเหนือวิสัยพอเห็นเขาเฮ้ยมันมีจริงดีนะ โอ้อยางนี้ต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้านี่ชุดที่สองชุดที่สามพระอีกชุดหนึ่งนะเดินทางมาถึงวัดแห่งหนึ่งจะไปกราบพระพุทธเจ้าเหมือนกันเดินมาถึงวัดแห่งหนึ่งก็วัดแห่งนั้นก็ดีใจพระสมัยก่อนเจอกันจะดีใจเจอได้ต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ก็ตอนรับก็จัดที่พักให้เป็นพระป่าเป็นพระวัดป่าสมัยก่อนไม่ได้แบ่งว่าวัดบ้านวัดป่าแล้วก็แยกอยู่ที่ป่าก็เรียกว่าวัดป่าอยู่ในเมืองก็เรียกวัดเมืองวัดในเมืองวัดใกล้บ้านกับวัดอยู่ในป่าทําไมต้องรู้ว่าเป็นวัดป่าเพราะว่าท่านจัดทําให้พักให้พักอยู่ในถ้ำไปกันเจองค์เจดรูปพักอยู่ในถ้ำจัดที่พักอย่างดีเลย อยู่ในถ้าถ้าเดียวกันถ้าโถงใหญ่นอนคืนนั้นปรากฏว่าเกิดดินสไลด์ดินสไลด์เอาหินที่อยู่ข้างบนมาปิดปากถ้าพอดีพระออกไม่ได้เช้าขึ้นมาในพระเจ้าถิ่นซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เดือดร้อนใจโอ้ตายแล้วเราจัดที่พักให้พระอาคาันธุกะในถ้าแล้วหินดันสไลด์ลงมาปิดปากถ้ำ ปิดสนิทนะปิดมิดเลยขยับไม่ได้เรียกชาวบ้านเกณฑ์มาหมู่บ้านหนึ่งขยับไม่ได้เกณฑ์มา2หมู่บ้าน3ามบ้าน7หมู่บ้านก็ขยับไม่ได้พยายามอยู่ไอ้ข้างในก็พยายามนะไอ้พระ7รูปที่อยู่ข้างในก็พยายามทํำยังไงดีท่านจะออกไปข้างนอกก็พยายามทําอยู่7วันไม่เคลื่อนพอพ้น7วันไปแล้วไอ้ข้างในก็ก็ล่องกระแรงเต็มทีแล้วนะ ไม่รู้ยังไงดินสไลด์อีกคราวนี้สไลด์เอาไอ้ที่ปิดปากถ้านนะ่ะหลุดออกไปคนก็กลูเข้าไปหมอกพระข้างในนี่ก็หมดแรงนวดเฟ้นมาให้น้ำปานะให้ถวายอาหารรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์ประหลาดประหลาดหินมาปิดเองแล้วหินก็ไปเองพอมีแรงเดินทางต่อก็เดินทางมากราบพระพุทธเจ้ากราบก็มารายงาน มากันสามชุดนะั้นมาเจอกันนะก็รายงานสามเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์มาคุยกันก่อนเข้าหาพระุทธเจ้านะก็สุบซิ์กันก่อนนะนเนี่ยมันเนี่ยผมมานะผมจะกราบทูนเรื่องนี้เรื่องนี้ผมเจอเรื่องนี้อีกชุดหนึ่งโอ้ประหลาดเนอะแต่เราก็มีนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เหรอเนี่ยผมเพิ่งเพรอดตายมาเนี่ยสามชุดมาเจอกันกราบทูนพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังเหตุ ท, ที่มาของเรื่องต่างๆ